บุกท <Book> <49. S 3> ูสี่สิบเก้ากีโลสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย อ n o musím sa h ý สห ť บัดดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ ходим до спортивного เราเล่นฟุตบอล г á m e ф บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ някiedy плаваем หรือเราขี่จักรยาน มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเราในเมและมีสนามกอล์ฟ ทีวีมีอะไรดูฉอดาวายูฟทีวีกำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ปราเวด้าวายูฟุตบทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่นิเมตส์เเกมุสต o โวฮร g าโปใครกำลังนำโต ดิฉันไม่ทราบค่ะ n นื้ตุตอนนี้เสมอกันอยู่ต้นตัว o ม่นเช้พูดตัดสินมาจากเบลเยียมตอนนี้กำลังยิงลูกโทษเข้าประตูแล้ว หนึ 1> 1่งต่อศูนย์กอลเยตนานู่ละ